กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วรายการธรรมะปรุนเนี่ยมีทุกวันเลยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แล้วก็ในวันศุกร์ก็จะมีอาตมาพระไพบูลอภิปุณโอจากวัตาดอนไหศกมาเป็นผู้แสดงทําให้ฟังแล้วในวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะเป็นการแสดงธรรมในลักษณะของสักข์จ่าโดยมีอุบาสิกาเกื้อใจสินทุวณิกและราอารงอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมาร่วมสนทนาด้วย ก็จะเป็นแง่มุลต่างๆของการสนทนาธรรมะเพราะว่าที่เราจัดรายการในรูปแบบนี้เนี่ยเพื่อให้มีความหลากหลายของธรรมะที่จะนํามานําเสนอเพราะพุทธเจ้าก็ยังได้เคยตรัสเอาไว้ว่าการฟังธรรมตามการการฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเนี่ยจะเป็นเหตุที่ทําให้เขาเรียกว่าเข้าถึงวิมุตได้เป็นที่ทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิพอนาการมิผล สกัณกรรมนี้ผลน่าอาราธผลได้นอกจากการฟังธรรมแล้วยังต้องมีการทําในใจโดยแยบถายหรือว่าการสักฉาด้ว ย, ยก็คือการสนทนาธรรมกันนี่แหละเพราะฉะนั้นในรูปแบบของรายการธรรมารรุณที่ค่อยๆมีการปรับปรุงกันมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างเช่นคุณดวงใจมัตยานุมาตรหรือว่าคุณพราพันธ์คุณวุฒิเมธากิจแล้วก็คุณปัญญาจุมจําปี ซึ่งทีมงานที่อยู่ทั้งหมดเนี่ยก็คอยเราก็มีการประชุมกันอยู่เรื่อยๆในการจะปรับปรุงรูปแบบของรายการอย่างไรให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าของเราได้บอกสอนเอาไว้มากที่สุดเราก็จะนำเสนอในรูปแบบที่มีความน่าสนใจขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยมีความคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือข้อชี้แนะใดๆที่จะทำให้รายการเนี่ยเป็นประโยชน์กแก่ท่านผู้ฟังโดยส่วนรวมได้ก็ขอให้เขียนกันมาได้ และนอกจากรายการภาคภาษาไทยแล้วเนี่ยอาตมาก็ยังจัดรายการที่เป็นภาคภาษาอังกฤษอยู่ด้วยทางเรดิโอไทยแลนด์ของทางสถานีวิทยุกระชายเสียงแห่งประเทศไทยนี่แหละแต่เป็นภาคภาษาอังกฤษในทุกวันอาทิตย์รายการสันเดย์ธรรมะท็อกถ้าท่านผู้ฟังต้องการฟังรายการที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นธรรมะอาจจะต้องการเรียกว่าความรู้ในธรรมะศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆก็ให้ติดตามฟัง สถานีวิธุกระจายเสียงเประเิศไทยซึ่งมีแม่ข่ายมาจากมาจาจกทางกรุงเทพหมหานครกระจายเสียงไปยังเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทุกประเทศไม่ว่าท่านจะรับฟังอยู่ทางมุมไหนของประเทศนะก็รับฟังจากทางเครือข่ายเดียวกันนะรายการธรรมะรับประยุนในวันนีนะ้ก็จะเป็นเรื่องที่เราได้ติดค้างกันตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นเรื่องของ อนุบุพิกถาอนุบุพิกตาคืออะไรถ้าท่านผู้ฟังเพิ่งจะมาฟังตอนนี้เป็นเหมือนแรกก็คือเรื่องที่เราต้องทราบก่อนก่อนอะไรก่อนที่จะฟังอริยสัจสีก่อนที่คุณจะมาฟังอริยสัจสีเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าไอ้มีหมวดธรรมที่คุณจะต้องทราบก่อนะเพื่ออะไรเพื่อที่จะทําให้การฟังอริยสัจสีเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากทําให้คุณบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก่อนที่คุณจะมาฟังอริยสัจสีเนี่ยคุณต้องทราบ ข, ข้อมูลห้าอย่างนี้ก่อน และข้อมูล5้าอย่างที่ต้องทราบเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่ทําให้จิตของเราเนี่ยมันสามารถเข้าใจอริยสัจสีได้เพื่อทําให้จิตของเราจิตแบบไหนจะสามารถเข้าใจอริยสัจสีได้ก็คือเป็นจิตที่อ่อนโยนควรแก่การงานเป็นจิตที่ไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นจิตที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงนั่นจิตแบบนี้คือจิตที่เป็นสมาธินั่นแหละเป็นจิตที่มีความเห็นที่ถูกต้องนั่นแหละจิตแบบนี้พอฟังอริยสัจสีแล้วจะเข้าใจได้นั่นจะสามารถลึกซึ้งลงไปได้ พระพุทธาจึงประกาศหมดธรรมห้าอย่างและหมดธรรมห้าอย่างข้อมูล5้าอย่างนี้เธอต้องทราบก่อนนะ5อย่างนี้ก็คือเรื่องแรกคือเรื่องของทานการให้การบริจาคการให้ทานต้องทราบข้อมูลข้อที่สองที่ต้องทราบก่อนคือเรื่องของศีลข้อมูลที่สามก็คือเรื่องของสวรรค์ข้อมูลที่สี่คือเรื่องของโทษของกามแล้วเรื่องที่ห้าคืออนิสงฆ์ในการออกจากกรรมห้าอย่างนี้รวมกันเรียกว่าอนุบุพีกถา แปลว่าเรื่องที่ต้องทราบก่อนก่อนที่จะรู้อริยสัจสี่อริยสัจสี่เนี่ยเป็นโอ้โหเป็นสุดยอดของหบทธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แต่ถ้าไม่มีสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็จะไม่มีใครมาพูดเรื่องนี้กันอริยสัจสี่เพราะนั้นอริยสัจสีเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นแก่นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้บอกสอนเอาไว้ท่านผู้ฟังลองคิดดูคืนแรกในคืนวันที่ หลังจากที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยแม่จะหาใครมาเป็นพยานในการรู้ตรัสรู้ของเราในคิดอยู่คิดอยู่ในคิดถึงอะไรละบทกรรมโคดที่เคยเป็นอาจารย์โอโ้ก็ตายไปแล้วอุตส่าหกรรมบุตรผู้ที่เคยเป็นอาจารย์ก็ตายไปแล้วจะมาบอกสอนก็บอกสอนบรรจักรกี่ภิกษุห้ารูปที่เคยอุปตากอุปธ ร, รมเรามาบอกสอนครั้งแรกท่านผู้ฟังพูดเรื่องอายะศัพท์ ส, สีเรียกว่าแผ่นดินเนี่ย สสะท้านสะเทือนไปทั่วนเนื่องด้วยการหมุนธรรมจักรที่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยประกาศเอาไว้แล้วเป็นเรื่องอริยสัจสีเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยมากขนาดนี้เนี่ยต้องมีการปูพื้นฐานกันก่อนแต่ทําไมปัญจวัคคีเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงไม่พูดเรื่องทานเรื่องสี่เรื่องสมรัตเรื่องอ น, นิสงค์ของอกาลแล้วก็อ น, นิสงค์ของการออกจากกาลและโทษของกาลก็เพราะว่าจิต ข, ของพวกปัญจวัคคีเนี่ยเขาพร้อมแล้ว นะเป็นผู้ที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยจิตเนี่ยพร้อมที่จะฟังอริยสัจสีทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเราทั้งหลายเนี่ยยังหนาอยู่ยังไม่รู้เรื่องรู้ ร, ราวศีลเป็นยังไงยังผิดศีลบ้างอะไรบ้างพระเจ้าวิเศเขาไม่เป็นอย่างนั้นนะเขาเป็นสมณะแล้วก็ เ, เป็นคลปวดแล้วเขาระวังกายวาจาของเขาจะตายในเมื่อเราเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาก็สามารถฟังอาริยสัจสีได้เลยในขณะเดียวกันพระเจ้าเองเนี่ย ก็ได้เตรียมเรื่องนี้เอาไวนะ้สำหรับจิตของปุถุชนธรรมดาอย่างเช่นยศรรกักกลบุตรอย่างเงี้ยก็เป็นผู้แรกที่ได้ฟังอนุบุพิกถาก่อนอพ่อแม่ของยอยศรรกักกลบุตรพ่อแม่ของเขาก็พระพุทธเจ้าก็แสดงเรื่องอนุบุพิกถาให้ฟังก็คือเนี่ยแหละอย่างที่ว่าเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของสวรรค์โทษของกามและอานิสงส์ในการออกจากกามคนที่ ปกติแล้วเนี่ยได้รู้เรื่องข้อมูลเบื้องต้น5้าอย่างเนี่ยที่เขาก็จะเป็นจิตที่ค่อนข้างมีทิฏฐิที่ถูกต้องะมีความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อคราวที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของทานในการให้การบริจาคไปแล้วว่าทําไปทําไมจะมีผลอย่างไรรายละเอียดแง่มุมในการให้แต่ละอย่างให้อย่างไรได้บุญมากให้อย่างไรได้บุญน้อยจควรจะทําทานอย่างไรการแบ่งการบริจาคทรัพย์ของเรา แต่อธิบายไปแล้วเพราะงพอที่ได้ว่าจะทําให้ท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถเข้าใจข้อมูลที่ทุกแง่มุมแหละว่างั้นเถอะในการเกี่ยวกับการให้การบริจาคการดำฐาน เ, าเรื่องที่สองเรื่องต่อไปก็คื อ, เ, อเรื่องของศีลเรื่องของศีลเนี่ยจะต้องพูดเกี่ยวกับสวรรค์ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของศีลกับสวรรค์นเนี่ยจะมาด้วยกันศีลนี่ก็แปลว่าปกติปกติ คนปกติเนี่ยเขามีความเป็นอยู่กันยังไงเราก็อยู่อย่างนั้นความเป็นอยู่ที่พระเจ้าบัญญัติเอาไว้ว่าเป็นปกติของคนธรรมดาทั่วไปเลย<ส>เขาจะมีปกติไม่ฆ่าสัตว์แล้วคนปกติทั่วไปเนี่ยก็จะไม่ลักทรัพย์ที่เป็นของคนอื่นะจะไม่ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้คนปกติทั่วๆไปเนี่ยเขาจะไม่รประพฤติผิดในการมแล้วคนปกติทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะไม่แกล้งกล่าวเท็จ กล่าววาจาที่เป็นเท็จให้ผิดต่อโลกแล้วก็คนปกติทั่วๆไปเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ดื่มสุราเม่ไรมันเป็นที่ตั้งของความประมาทคนปกติเ้าเป็นกันอย่างนี้คนอื่นที่เป็นนอกเหนือจากนี้ก็เป็นคนที่ไม่ปกติคนปกติในที่นี้มันก็มีปกติในในลักษณะของการดําเนินชีวิตของตนนะนะหมายความว่าอุบาสกอุบาสิกาทั่วๆไปผู้ที่ยังเป็นกระหัต ยังต้องไปทํางานตื่นเช้าไปทํางานมีเฝ้ามีแม่เลี้ยงดูลูกเต้าอยู่เนี่ยก็เป็นคนที่ว่ามีปกติอย่างนี้แต่ถ้าเป็นสมณะเป็นนักบวชนักบวชประเภทไหนล่ะถ้าเป็นนักบวชชีบวชขาวอย่างเงี้ยก็มีความปกติเพิ่มมาอีกสามสี่อย่างอย่างแรกคือแทนที่จะยังเสพการอยู่ยังมีคู่อยู่แต่แต่มีคู่เดียวเนี่ยไม่ไม่ประพฤติผิดในกาลอันนี้ก็คือมดเว้นเลยเป็นผู้ประพฤติปรหมจรรย์ แะวิ่งไกลจากการเสพเมทุนธรรมมันเป็นของชาวบ้านนะไม่มีนอกจากนั้นก็ยังจะมีปกติรับประทานมื้อเดียวแะหลังเวลาเที่ยงไปแล้วเนี่ยก็ไม่กินละพอละจะได้ไม่ต้องขวนขวายหาทํากินอะไรมากแล้วก็ไม่ประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยของหอมเครื่องรูปลายรูปถาแล้วก็ยังไปปกติในการที่ไม่ดูการละเล่นอันเป็นค่าศึกแ ก, ก่กุศลธรรม แล้วก็มีปกติไม่นอนไม่นั่งบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่อันเป็นที่ยัดด้วยนุนและสำลีซึ่งตรงนี้ก็เป็นปกติของนักบวชประเภทหนึ่งนะที่บวชขาวส่วนนักบวชอีกประเภทหนึ่งคือสมณะหรือพระสงฆ์เนี่ยก็มีความปกติที่จะละเอียดขึ้นไปอีกก็คือความที่เช่นว่าไม่พูดเกี่ยวภาษีผู้หญิงนะไม่ไม่ถูกเนื้อต้องตัวผู้หญิงอันนี้ก็เป็นความละเอียดที่ลึกซึ้งขึ้นไปตามแต่การดำรงชีวิตของตนของตน เพในวันนี้เนี่ยก็จะพูดแง่มุมสําหรับอุบาสกอุบาสิกาเท่านั้นเองเรื่องของทานก็เหมือนกันที่ได้พูดมาแล้วนะก็ได้พูดแง่มุมเฉพาะของอุบาสกอุบาสิกาถ้าเป็นเรื่องของสมณะเนี่ยการให้ทานก็จะมีมีรายละเอียดอีกลักษณะหนึ่งก็ถ้ามีเวลาก็จะค่อยๆ อ, อ, อธิบายให้ฟังเพราะฉะนั้นคนถ้ามีจิตใจที่เรียกว่าสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเนี่ยความละเอียดความเป็นปกติของเขาเนี่ยก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้น นะเพราะฉะนั้นพระเจชาจริงบัญญัติเอาเรื่องพื้นฐานง่ายๆของคนทั่วๆไปนะอย่าให้มีต่ำกว่านี้5้าอย่างเท่านั้นเองนะซึ่งการดำรงชีวิตที่ละเอียดขึ้นไปละเอียดขึ้นไปเนี่ยอย่างเป็นของสมณะของพระของชีของเนเนี่ยก็จะละเอียดขึ้นไปนะตามแต่เพศของตนเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงความละเอียดขั้นพื้นฐานที่สุดเลยที่บุคคลจะต้องมีคือแค่ห้าอย่างนี้เองนะคุณมีปกติไม่รักทรัพย์มีปกติไม่ฆ่าสัต มีปกติไม่ประพฤติผิดในกามนางมีปกติไม่แกล้งกล่าวเท็จมีปกติไม่ดื่มสุรามีอะไเป็นที่ตั้งความประมาทซึ่ง5อย่างเนี้ยบางทีพระพุทธเจ้าพูดเป็น7อย่างก็มีนางคือเอาสองข้อสุดท้ายเนี้ยออก2ข้อสุดท้ายเนี้ ย, ออ ย, ยคือเรื่องของอาการพูดเท็จเรื่องของการดื่มสุรามีอะไเอาออกนางแล้ว เ, เอาสัมมาวาจารเข้ามาใส่สัมมาวาจาร์มี4ข้อนางก็คือไม่กล่าวเท็จ ไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดยุยงให้แตกกันแล้วก็ไม่พูดมาจาหยาบก็คือมีปกติมีเจ็ดอย่างคนทั่วๆไปเนี่ยเขาอาจจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดเท็จไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคําหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดยุยงให้แตกกันน่ยคือส่อเสียดเจ็ดอย่างนี้เป็นความปกติของเขาก็มีเพราะนั้นเราจะดูได้ว่าในเรื่องของการดื่มสุราเมรัยเนี่ย ดื่มประเภทไหนจึงทําให้เราตั้งอยู่ในความประมาทคือท่านดื่มแล้วเนี่ยมีแต่พูดเพ้อเจ้อดื่มแล้วพูดคําหยาบดื่มแล้วพูดส่อเสียดอันนี้คือไม่ถูกต้องเป็นการดื่มที่เรียกว่าทําให้เราเนี่ยตั้งอยู่ในความประมาทก็ลองดูสิ่งในวงเล่าอ่ะวงเล่าที่เขาดื่มเหล้ากัน่ะมันมีวาจาอะไรนอกจากวาจาเ ท, ท็จมาจาส่อเสียดวาจาหยาบมันก็มีแค่นี้เองพระเจ้าจึงให้เว้นเว้นขาดจาก การพูดวาจาเหล่านี้เว้นาาการจัดการดื่มสุรามีอะไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทให้มีชีวิตปกติอยู่อย่างนี้าบางคนอาจจะมองว่าเรื่องของสี เ, เป็นเรื่องพื้นฐานใช่เป็นพื้นฐานเพราะว่าเป็นเรื่องที่เป็นปกติอะชีวิตคนมนุษย์คนเรามันต้องเป็นอย่างนี้แตถ้านอกเหนือจากนี้คุณเป็นคนไม่ปกติแล้วคนปกตินี่แหละเป็นพื้นฐานที่ดีเพราะอะไรอย่างเราสร้างตึกสร้างาวิหารสร้างอาคารสิ่งที่เราต้องทําก่อนนะ คือการวางฐานรากให้ดนะีต้องตอกเสาเข็มทําฐานรากก่อนที่จะสร้างตึกให้ดีนอกจากเรื่องของตึกอาคารเนี่ยการวาดภาพการวาดภาพเนี่ยจิตรกรเนี่ยเขาก็ต้องลงสีพื้นให้ถูกต้องก่อนนะให้ถูกต้องตามลักษณะภาพที่เขาต้องการวาดหรือแม้แต่การทํานานะข้าวที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยก่อนชาวนาเขาจะเอ า, มาเมล็ดใบหวานทํานาหวานน้ําต้มหรือว่าดำข้าวเขาต้องเตรียมพื้นก่อน ในการที่สจะไถในการที่จะเตรียมพื้นใส่ปุ๋ยให้มันพร้อมละที่จะต้นข้าวโตวได้เหมือนกันจิตของเราต้องมีศีลทําไมเป็นพื้นฐานเพื่ออะไรเพื่อที่ทําให้จิตของเราเนี่ยมีสมาธิมีปัญญาเห็นตามพระสัตย์ธมที่พระเจ้าประกาศเอาไว้ได้ทาไมก็เพราะว่าศีลเนี่ยเป็นพื้นฐานไงบางคนอาจจะมองว่าไอ้เรื่องพื้นพ้นอย่างเนี้ยเราไม่ต้องพูดก็ได้ฉันก็ทราบอยู่แล้วนะบางทีก็มีบ้างไม่มีบ้างเรื่องพื้นพื้นเนี่ยเป็น เรื่องที่สําคัญเพราะว่าตั้งแต่สมัยพระเจ้าปกรณิพานใหม่ๆนะอาตมาจะเล่าให้ฟังก็เพราะว่าเรื่องศีนี่แหละที่ทําให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยแตกกันเป็นนิกายนิกายนะในระดับระหว่างประเทศเนี่ยภิกษุในปัจจุบันเนี่ยก็ยังแบ่งแยกเป็นนิกายนะแบ่งแยกเป็นนิกายวัชิรายรานเถร ว, วาทมหานิกายแต่ละกลุ่มเนี่ยใส่เครื่องแบบยังไม่เหมือนกันเลยก็เนี่ยศีนไม่เหมือนกันแม้แต่ในประเทศไทยเองเอา ในระดับประเทศ ค, คือประเทศไทยเนี่ยเทรวาสเนี่ยยังแบ่งเป็นนิกายคือมหานิกายกับธรรมยุทธแล้วก็ยังทําข้อปฏิบัติไม่เหมือนกันข้อปฏิบัติทางศีลไม่เหมือนกันก็รรักษาศีลนี่เป็นเรื่องที่สําคัญแต่เรื่องพื้นพื้นนี่แหละเป็นเรื่องที่สําคัญมากพระเจ้ยายังบอกว่าสัตว์ทั้งหมดเนี่ยสัตว์บกทั้งหมดเนี่ยจะสําเร็จอริย บ, บทยืนเดินนั่งนอนทั้งหมดเนี่ยก็อยู่บนแผ่นดินและแผ่นดินนี่ยเป็นพื้นฐาน พื้นฐานของอะไรพื้นฐานของการที่จะทําให้เห็นโพชงได้และยังบอกว่าคนทํางานเนี่คนเราเวลาไปทํางานใช่ไหมจ ะ, ะขับรถไปทํางานเดินไปทํางานขับจักรยานไปทํางานหรือว่าจะนอนอยู่ที่บ้านอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยก็ต้องสำเร็จอยู่บนแผ่นดินซึ่งแผ่นดินตรงเนี้ย่ก็คือเปรียบเทียบกับศีลอันนี้บทอะไรต่างๆของเราก็คืออริยมรตมีองค์แปดคนมีศีลเนี่ยจะทำให้แจ้งซึ่งอริยมรตมีองค์แปดได้ เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เคยเปรียบเทียบว่าสีเนี่ยเปรียบเสมือนแสงสีทองกับแสงสีขาวถ้าเรามองพระอาทิตย์ตอนก่อนที่จะขึ้นเนี่ยก่อนที่จะขึ้นจากขอบฟ้าเนี่ยจะเห็นแสงสีขาวก่อนอีกสักหน่อยจะเห็นแสงสีทองเห็นแสงสีขาวเห็นแสงสีทองแล้วให้มั่นใจเลยว่าพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นมาอันนี้ก็คือพระอาทิตย์ที่ขึ้นมาเนี่ยคืออริยศั์ทั้งสี็คืออริยมรรคมีองค์แปด แล้วแสงสีทองแสงสีขาวเปรีตสมุนีเพรไส้ผนธรมีสีนเนี่ยให้มั่นใจได้เลยว่าอริยมรรคมีองแปดกำลังจะเกิดขึ้นเต็มพร้อมเหมือนกันจิตของเราถ้าจิตของเราเป็นจิตที่มีสีนเนี่ยก็จะสามารถที่จะทําให้แจ้งซึ่งธรรมะที่ลึกซึ้งขึ้นไปตรงนี้คือการที่เตรียมพร้อมจิตของเราแต่บางคนอาจจะบอกว่าการสีนี่คือการเว้นขาดจากการทํำสิ่งไม่ดีก็คือการไม่ทําบาป การไม่ทําบาปยังไม่เป็นการทําบุญอันนี้พูดไม่ได้การไม่ทําบาปนั่นแหละบุญเกิดขึ้นในจิตทันทีการที่เราจะฆ่าเาจะบี้มดสักตัวหนึ่งเห็นมดเดินไปนผ่านไปผ่านมาเห็นยุงบินบนไปบนมาจะบี้มันจะตีมันอไม่ตีไม่บี้มีจิตเมตตานั่นแหละบุญเกิดขึ้นในจิตทันทีในเรื่องของศีลเนี่ยอย่างเช่นการฆ่าเนี่ยการบัญญัติการฆ่าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บัญญัติไว้ละเอียดลึกซึ้งนะนะ ก็แล้วแต่ภ hmm. ูมิจิตของแต่ละคนบางคนมีความเห็นต่างๆกันนะบอกว่าฆ่าคนที่มีอุปการะเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยไม่ดีแต่ฆ่าศัตรูได้ไม่เป็นไรแต่บางคนบอกว่าฆ่าคนไม่ได้แต่ฆ่าสัตว์ที่มีฆ่าสัตว์เนี่ยฆ่าได้บางคนบอกว่าฆ่าสัตว์ที่มีอุปการะเช่นวัวควายอย่างเงี้ยฆ่าไม่ได้แต่สัตว์อื่นฆ่าได้แต่บางคนบอกว่าฆ่าสัตว์ใหญ่แต่ฆ่าไม่ได้หรอกแต่ถ้าฆ่าบีมดบีมแมลงเนี่บีได้บางคนบอกว่า มดแมลงที่ไม่ทําอันตรายต่เราก็อย่าไปฆ่ามันเลยแต่ที่ทําอันตรายต่อเราค่อยฆ่าได้โว้ยพอเราพัฒนาจิตไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยบางคนบอกว่าสัตว์อะไรเล็กๆน้อยๆเราก็ไม่อยากฆ่าเลยแตนะอันนี้อยู่ที่ความละเอียดของจิตของแต่ละคนซึ่งตรงนี้ทําให้เห็นความเป็นปกติของเขาแตนะ่เพระนั้นพระเจ้าจึงบัญญัติเรื่องของศีลไว้ในลักษณะที่ว่าไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่ปร้อยนะัเป็นศีลที่เป็นอิสระจากปัญหาไม่ถูกรูปคําด้วยกิธี และเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิฟังให้ดีนะเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่หนักไม่ปลอยและเป็นศีลที่ละเอียดลึกซึ้งลงไปเรื่อยๆอย่างที่ว่านี่แหละอันนี้ก็ค่อยๆทําไปให้เว้นขาดไปเรื่อยๆให้เว้นขาดไปเรื่อยๆจิตของเราก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นจนทําให้ภายหลังเนี่ยแม้มดแมลงปลวกอะไรที่มันเป็นสัตว์เล็กๆเนี่ยที่เราจะบิดเบียนมันได้เราก็ไม่บิดเบียนมันอันนี้เป็นความละเอียดที่เราจะมีขึ้นได้ในความขาดความทะลุความด่างความปร้อยเนี่ย ก็ทำให้มันลดลงลดลงลดลงจนในที่สุดมันก็สมบูรณ์บริบูรณ์ได้อันนี้สองคือเป็นศีลที่เป็นอิสระจากตันหาและไม่ถูกรูปความด้วยติฏฐิหมายความว่าอะไรหมายความว่าไม่ได้ทําศีลไม่ได้ถือศีลไม่ได้เป็นบาตรศีลด้วยความอยากแต่บางคนถือศีลเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกียรติยศชื่อเสียงของเราจะได้เลื่องลือไปอันนี้ผิดเป็นอันนี้ส่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ความหวังที่คุณจะได้จากการที่ปฏิบัติตามศีล ก็ยังเป็นสีนที่ถูกลูกคำด้วยทิฏฐิอยู่สีทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็เป็นไปเพื่อสมาธิเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าบอกว่าสีเนี่ยเมื่อทําสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเนี่ยก็จะทําให้มีความไม่ร้อนใจได้ความไม่ร้อนใจที่เกิดขึ้นตรงนี้แหละจะเป็นความสว่างของจิตที่ทําให้จิตของเราเนี่ยพร้อมที่จ ะ, ะรับรู้ธรรมะอธิฤกษ์ซึ่งขึ้นไปรเรื่องของสีนเนี่ยพระพุทธเจ้ายังเปรียบเหมือนกับต้นไม้ ที่มีกิ่งใบสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็จะมีกิ Buenos ่งน้อยกิ่งใหญ่สมบูรณ์กิ่งน้อยกิ่งใหญ่สมบูรณ์และลำต้นก็สมบูรณ์ลำต้นสมบูรณ์เปลือกของมันก็สมบูรณ์เปลือกสมบูรณ์เนี่ยกระพี้ก็สมบูรณ์กระพี้สมบูรณ์แก่นก็สมบูรณ์แก่นสมบูรณ์ผลหมากอะไรต่างๆก็ออกมาและเปร so ียบเสมือนกับการที่เรามีศีลมีศีลแล้วก็จะมีความไม่ร้อนใจไม่ร้อนใจแล้วก็จะมีปีติมีปีติมีความสบายใจมีความอิ่มเอิบใจอยู่ในจิตเนี่ยก็มีความสุขในจิต พอมีความสุขในจิตแล้วเนี่ยก็สามารถทําให้สมาธิเกิดขึ้นได้พอมีสมาธิเกิดขึ้นได้เนี่ยจะเห็นตามที่เป็นจริงได้เห็นตามที่เป็นจริงได้ก็ปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ก็บรรลุมรคผลนิพพานได้แต่ลักษณะนี้เป็นการศีลเนี่ยแต่ละขั้นเนี่ยก็จะทำให้มีความสมบูรณ์บริบูรณ์ได้ลึกซึ้งลงไปความสมบูรณ์บริบูรณ์ในกรณีนี้ก็ต้องอธิบายอย่างนี้บอกว่าเห ม, มือนเราเอาขวดน้ํำ 1.5 ลิตรมาขวดหนึ่ง น้ำที่ใส่ลงไปอาจจะหยดหนึ่งบ้างแก้วหนึ่งบ้างเป็นน้ำที่บริสุทธิ์อยู่ใช่แต่ถ้ามันยังไม่เต็มเนี่ยมันก็คือยังไม่เต็มความบริบูรณ์ของสีนก็เหมือนกันแต่ถ้าเราทําศีอย่างดีแล้วแต่ถ้ามันยังไม่เต็มเนี่ยมงคลอาจจะปฏิบัติสีแล้วยังมีความร้อนใจอยู่บ้างเราทําให้มันเต็มทําให้บริบูรณ์เหมือนกับขวดน้ํา 1. ึดห้ลิตรต้องเติมให้เต็ม1นจุห้าลิตรเราถึงจะเอาไปด้วยได้ใส่น้ําได้เอาไปใช้ในระหว่างทางได้ เช่นเดียวกันนะสิ่งของเราทําให้สมบูรณ์บริบูรณ์สมบูรณ์ก็คือความสะอาดความถูกต้องบริบูรณ์ก็คือความเต็มที่ของมันพอทําได้อย่างนี้แล้วเนี่ยกิตติศัพท์ของเราจะฟุ้งไปพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเหมือนกับกลิ่นของดอกไม้ใดในโลกเนี่ยไม่ว่ามันจะหอมขนาดไหนก็แล้วแต่จะเป็นดอกที่เรียกว่าแหมไม่เคยพบเจอเป็นอยู่ตามป่านหอมขนาดไหนก็ทวนลมไม่ได้ทวนลมไม่ได้ แต่กลิ่นของศีลกลิ่นของผู้มีศีลเนี่ยสามารถทวนลมไปได้ชื่อเสียงของเราเนี่ยจะฟุ้งไปกระจรไปว่าเฮ้ยเราเป็นผู้มีศีลไม่ต้องพูดถึงเลยว่าไหนคนจะต้องดื่มเหล้าพูดโกหกพูดเพ้อเจ้อถึงจะเข้าสังคมได้แต่ถ้าเราเป็นคนมีศีล น, นะคนมีศีลเนี่ยชื่อเสียงของเราจะฟุ้งไปกระจรไปว่าเราเป็นคนมีศีลเวลาเขาจะมอบหมายการงานอะไรก็แล้วแตเ่เขาจะมอบให้คนที่สามารถเชื่อถือได้ แต่เป็นคนที่มีพื้นฐานที่ดีเวลาจะปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างก็สามารถทําได้อย่างมั่นใจมั่นคงเวลามอบหมายการงานอะไรที่สําคัญสำคญเนี่ยเขาก็จะมอบให้คนที่มีสีนี่แหละการที่จะต้องเข้ากับหมู่คณะการที่จะเข้ากับหมู่เพื่อนเนี่ยไม่จำเป็นต้องพูดเพ้อเจอก็ได้ไม่จำเป็นต้องดื่มเหล้าก็ได้ยังมีกิจกรรมอื่นอื่อีกตั้งเยอะแยะที่ทําให้เราเข้ากับหมู่คณะได้แล้วก็เป็นคนองอาจกล้าหาญ ก, กล้าๆเข้าไป ไม่ต้องก้มหน้าหรือว่าเก้อเขินในการเข้าหไปคิดดูนะคนที่ผิดสิงข้อสามแล้วมีคลิปไปมีคลิปวิดีโอไปโพดตามอินเทอร์เน็ตหรือว่ามีเรื่องชู้สาวเรื่องที่เป็นเรื่องอื้อสาวโลดไปตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยจะไปทํางานเนี่ยหรือว่ามาเจอเพื่อนฝูง ม, มันมันอายนะมันต้องก้มหน้าซบเซาจะแกล้นี่เต็มไปด้วยเหงื่ออย่างงี้เลยนะ นี่เป็นอากับกิริยาที่พระเจ้าได้อธิบายเอาไว้ะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีศีลเนี่ยเรามั่นใจเลยะไม่มีใครสามารถมาโจทย์เราได้ว่าคุณฆ่าสัตว์คุณลักทรัพย์คุณบุรุษิดในการโจทย์เราไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทําแำมีความองอาจกล้าหาญกล้ากล้าได้เรื่องของศีลเนี่ยยังเป็นไปเพื่อการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระพุทธเจ้าได้ยังพูดถึงคนที่มีศีลเนี่ย จะดูว่าเป็นสมณะเนี่ยจะดูได้อย่างไรก็ดูที่ศีลศีลเนี่ยจะเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเขาแล้วพระสงฆ์เนี่ยบวชมาแล้วเนี่ยมาจากวรรณะไหนก็แล้วแต่เี่ยจะเป็นกษัตริย์แพทย์ปาหมลสูตรแล้วคุณจะมีเชื้อเจ้าคุณจะเป็นข้าราชการคุณจะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาก่อนหรือเป็นชาวบ้านร้านตลาดลูกชาวนาธรรมดามาบวชแล้วเนี่ยเหมือนกันเสมอกัน น, นด้วยความเป็นสมณะเสมอกันอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้ววรนละของสมณะเนี่ย การแบ่งชนชั้นของสมณะก็คือแบ่งตามศีลตนั่นเองถ้าคุณมีศีลดีมากะเรียกชื่อว่ามีวันนะดีละคนเราเลือกเกิดไม่ได้นะท่านผู้ฟังเลือกเกิดไม่ได้ว่าฉันจะเกิดเป็นลูกคนรวยฉันจะเกิดเป็นลูกกษัตริย์ฉันจะเกิดเป็นลูกเศรษฐีหรือกเกิดเป็นลูกชาวนาะมันเกิดมาแล้วอ่ะเ <g> กิดมาแล้วแล้วทํำยังไงอ่ะเกิดมาแล้วเราจะเป็นคนดีได้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ชัดกําเนิดพะพุทธเจ้าบอกว่าคนจะดีได้ไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณเป็นกษัตริย์นะเป็นลูกเจ้าลูก เจ้านายเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินน่ะคุณหนึ่งจะเป็นคนดีคุณเป็นลูกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะคุณหนึ่งจะเป็นคนดีไม่เกี่ยวเลยคุณจะเป็นคนดีได้อยู่ที่ศีลวันณะจึงอยู่ที่ศีลอยู่ที่เราทำหรือจะเป็นกษัตริย์ก็เพราะการกระทําจะเป็นแพทย์เป็นสูตรเป็นคนจันทร์เป็นคนอะไรก็เพราะการกระทําถ้าเราการกระทําดีมีศีลดีแล้วนั่นแหละวันณะดีของเราเลยเรื่องศีนี่พระพุทธเจ้ายังบอกมาเป็นไปเพื่อความสุข ศเป็นไปเพื่อความสุขยังไงศีเลนสุกะติงยันตินี่ไงจิตที่เราปฏิบัติตามศีลแล้วเนี่ยจะมีความไม่ร้อนใจมีความไม่ร้อนใจก็มีความอิ่มเอิบใจมีปีติมีความสุขได้นะมันสบายใจน่ะศีลนี่ยังเป็นไปเพื่อปกศัพจําได้ไหมเวลาเราไปวัดเนี่ยพระให้ศีลเนี่ยบอกว่าศีเลนสุกะติงยันติศีลเป็นไปเพื่อความสุขอันนี้เราเข้าใจละเราจะสบายใจศีลเป็นไปเพื่อปกศัพศีเลนะปกสัมปทาศีเลนะนิพุติงยันติ ศีลเป็นไปเพื่อโพกษทรัพย์ศีลเป็นใไปเพื่อนิพพานสวรรค์และนิพพานเพื่อความสุขเข้าใจแล้วเพื่อสวรรค์เดี๋ยวอาจจะอธิบายให้ฟังสวรรค์และนิพพานนิพพานนี่เข้าใจแล้วนะเพราะว่าศีลถ้ามีแล้วก็จะมีความไม่ร้อนใจมีปีติมีสุขสามารถเห็นตามที่เป็นจริงมีสมาธิเห็นตามที่เป็นจริงปล่อยวางเข้าถึงมาผลนิพพานได้แล้วศีลเป็นไปเพื่อสวรรค์ศีลเป็นไปเพื่อโพกษทรัพย์เนี่ยเป็นยังไงโพกษทรัพย์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ย ที่ได้อธิบายไปเมื่อกล่าวที่แล้วว่าท่านเนี่ยจะไม่เกิดโภคทรัพย์ใช่ไหมคือเป็นทรัพย์ที่มีในกระเป๋าเราที่มีในความครอบครองของเราแต่ศีลเนี่ยจะเป็นโภคทรัพย์ที่เราสามารถใช้ได้เป็นโภคทรัพย์ที่ละเอียดขึ้นไปอีกหมายความว่าอะไรหมายความว่าทรัพย์ที่เรามีเนี่ยบางคนมีเงินในกระเป๋าแต่ว่าใช้เงินไม่ได้ก็มีเช่นยังไงสมมติว่าถ้าเราอ่อมีเป็นข้าราชการมีเงินเดือนธรรมดานะอัตราเงินเดือนนี้เขาทราบกันอยู่แล้วคุณมีเงินเดือนเท่าไหร่แต่ถ้าเราไปโกงเงินมา โกงเงินรัฐโกงเงินราษโกงเงินหลวงว่างั้นเถอะได้เงินมาจํานวนหนึ่งจะเอาไปซื้อบ้านซื้อรถเนี่ยที่มันเกินราคาเนี่ยโหเราทํายากนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมมติเราคุณขับเบ้นซ์คุณซื้อบ้านหลังโตๆในหมู่บ้านใหญ่ๆเงินเดือนแค่นี้คุณจะทําได้ไงคุณจะถูกตรวจสอบได้แต่ทาให้เราไม่สามารถใช้โควตาบันได้แต่เงินอะไรที่เราหามาได้อย่างความบริสุทธิ์เนี่ยการใช้จ่ายเนี่ยมันสบายใจสามารถใช้จ่ายได้คุณไปขโมยบวกมาไปหนึ่งเวลาจะเอาหมวกไปใช้เนี่ย มันไม่ได้นะจะต้องคอยระวังว่าเจ้าของเขาจะมาตามจับไม่จะมีคนจําได้หรือเปล่าว่านี่หมวกไกลมันจะมีความกังวลขึ้นมาจังทีเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยจึงเป็นไปเพื่อโภคทรัพย์ในส่วนที่เราสามารถใช้ได้ถูกต้องเลยนอกจากนี้ทรัพย์ที่เกิดจากศีลเนี่ยเป็นทรัพย์ที่ละเอียดประณีตทรัพย์ที่เกิดจากศีลเป็นทรัพย์ที่ละเอียดประณีต่างไเลยในตอนต่อไปก็จะมาอธิบายให้ฟังในรายละเอียดเรื่องของสวรรค์ที่เกี่ยวข้องกับศีลวันนี้พราบว่ารายละเอียดของเรื่องศีลเนี่ย พูดไปพูดไปเนี่ยแหมมันรายละเอียดมากนจึงอธิบายได้เฉพาะเรื่องสีเท่า น, นั้นเองส่วนเรื่องของสวรรค์น้ายังติดค้างกันอยู่เรื่องของสวรรค์เรื่องของโทษของกามและอ น, นิสงสในการออกจากกามก็จะมาอธิบายไว้ให้ฟังในกล่าวหน้าในตอนต่อไปวันนี้ก็ให้ท่านผู้ฟังได้คอยติดตามรับฟังในเรื่องของอนุบุพีคถาในตอนจบก็คงอีกสัก2ตอนนำมาในทางสถานีวิจิตกระจายเสียงประเทศไทยให้ติดตามรับฟังกันต่อไปได้ ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา5นาิกาถึง5นาิกาสานาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ